เมื่อมองความหมายของกายภาวนาและภาวิตากายขยายออกไปอีกแบบหนึ่งหรือเหมือนเปลี่ยนจุดกําหนดคือแทนที่จะมองตรงผัสสัตวาลหรืออินทรีย์เองก็มองที่โลกหรือสิ่งภายนอกซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับอินทรีย์หรือเป็นอารมณ์ที่อินทรีย์จะรับรู้แล้วก็ไปจับจุดเน้นที่สิ่งเหล่านั้นแยกเป็นพวกพวกเป็นประเภทประเภทไป ก็จะได้ความหมายทํานองที่บอกไว้อีกอย่างหนึ่งว่ากายภาวนาเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือจําพวกวัตถุตลอดจนแม้แต่ตัวบุคคลในแง่ที่เป็นวัตถุแห่งการรับรู้แล้วก็จะเห็นว่าของจําพวกหนึ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์มากก็คือปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยาบําบัดโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้วัตถุใช้สอยสิ่งที่เสพอาศัยใช้ทำงานทำการทั้งหลายซึ่งเป็นแดนใหญ่ที่ชีวิตเกี่ยวข้องที่จะต้องฝึกต้องพัฒนาชีวิตนั้นดังที่ท่านจัดเป็นปัจจัยปฏิเสวนาศีนหรือปัจจัยสันนิสิตศีนและก็อาจจัดปัจจัยปฏิเสวนานั้นตามอินทสียสังวรเข้ามาไว้ในกายภาวนานี้ด้วยการสัมพันธ์กับวัตถุทั้งหลายที่เป็นปั จ, จัยอย่างชีพ และหล่อเลี้ยงชีวิตนี้ในพระธรรมมวินันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาที่จะต้องฝึกฝน พ, นพัฒนาตลอดเวลาในชีวิตประจำวันดังที่ฝึกกันตั้งแต่เข้ามาบวชให้เสพปัจจัยสี่โดยพิจารณาหรือให้บริโภคด้วยปัญญาโดยรู้จักประมาณให้ได้ความพอดีที่จะเกิดคุณค่าแท้จริงที่ชีวิตต้องการไม่ใช่แค่บริโภคอย่างมืดมัวด้วยโมห oh ะ เพียงที่จะสนองความอยากเสพด้วยตัณหาดังความที่ตรัสในปาสาธิกสูตรทีคณิกายปาติกวกักว่าดูกร ะ, ระจุนทะเราไม่ใช่แสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายเพื่อปิดกัน้นบรรดาอาสะวะที่เป็นไปในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นอีกทั้งเราก็ไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อป้องกันบรรดาอาสะวะที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าเท่านั้นหากแต่ว่าเราแสดงธรรม ทั้งเพื่อปิดกัน้นบรรดาอาสะวะที่เป็นไปในปัจจุบันและเพื่อป้องกันบรรดาอาสะวะที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าด้วยดูกระจุนทะเพราะฉะนั้นแหลจีวรใดอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายจีวร น, นั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะอันยังความละอายให้กำเริบบินธบาตใดอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายบินธบาตนั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่ อ, อยังกายนี้ให้เป็นไปเพื่อระงับความขาดอาหารอันจะเบียดเบียนชีวิตเพื่อเกื้อหนุนพรหมจรรย์โดยรู้ว่า ด้วยการปฏิบัติดังนี้เราจะบรรเทาเวทนาเก่าได้ทั้งจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยและเราก็จกมีชีวิตที่ดำเนินไปราบรื่นพร้อมทั้งความไร้โทษและความอยู่สำราญเสนาสนะใดอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายเสนาส น, านั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหนาวป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อเป็นเครื่องบรนเทาอุตุอันตรายเพื่อเป็นที่มีความรื่นรมในการลีกเร้นคิรานปั จ, จัยเศสัชบริขารใดอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายคิรานปัจจัยเภสัชบริขาร น, นั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อเป็นเครื่องบำบัดเวทนาทั้งหลายอันเนื่องจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์ยากเป็นอย่างยิ่งฉชนี้บางแห่งเช่นในอาสะวะสูตรอังกุตระนิกายฉักนิบาทพระองค์ตรัสเป็นคำสอนเชิงปฏิบตัติให้พิจารณาในเวลาที่จะเสบบริโภคอย่างที่มีคำเริ่มต้นทุกข้อว่าปฏิสังขาโยนิโสขอยกตัวอย่างมาเฉพาะข้อพิจารณาอาหารบิณฑบาตซึ่งมีความเพิ่มเติมในตอนเริ่มต้นดังนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยกคายจึงฉันอาหารบินธบาดโดยรู้ตระหนักว่าไม่ใช่เพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่อติดรถหลงมัวเมาไม่ใช่เพื่ออวดโอโกโอเกไม่ใช่เพื่อประดับประดาแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้ต่อจากนี้เหมือนข้างบนคือเพื่อยังกายนี้ให้เป็นไปจนถึงเราจะมีชีวิตที่ดาเนินไปราบรื่น พร้อมทั้งความร้ายโทษและความอยู่สำราญ